วันนี้เป็นวันเสาร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่พวกเราได้ตั้งใจมาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน การุด้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมจะปรากฏเป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องมีธรรมสี่ประการด้วยกันเป็นผู้ดึงไปหรือนำไปธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติ ให้ได้ไปสู่การบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานนี้คือหนึ่งอธิษฐานสองสัจจะสามวิริยะสี่ขันติอธิษฐานนี้ความหมายในทางธรรมนี้ไม่ได้หมายถึงการขอ เหมือนอย่างที่ญาติโยมเข้าใจกันญาติโยมมักจะอธิษฐานขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้อันนี้ไม่ได้เป็นความหมายของอธิษฐานในบทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อธิษฐานในบทธรรมนี้คือการตั้งเป้าของการกระทำ เช่นวันนี้ท่านตั้งเป้าไว้ว่าจะมาวัดเนี่ยนี่เรียกว่าอธิษฐานคือการกำหนดการกระทาของเราว่าเราจะไปทำอะไรกันบางท่านอาจจะกำหนดวันนี้ไปประชุมตามถนนหนทางท่านก็จะไปที่ท่านได้กำหนดไว้ท่านที่ได้กำหนดไว้ว่าจะมาวัด ก็จะได้มาวัดถ้าไม่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อน mm. ก็อาจจะไม่ได้ไปไหนอาจจะอยู่บ้านเฉยๆ mm. เพราะไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปทำอะไร mm. เพราะไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ง mm. นั้นการคํ mm. าว่าอธิษฐานของทางธรรมนี้ไม่ได้เป็นการขอ ไม่ได้ขอให้บรรลุมรรคผลผนิพพานฮไม่ได้ขอให้ร่ำให้รวยขอให้เจริญนุ่งเรืองเพราะการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่เราต้องการกันผลที่เราต้องการกันนี้เกิดจากการกระทําอยากจะ ต้องการจะมาวัดไปนั่งอธิษฐานว่าวันนี้ขอให้ได้มาวัดเนี่ยขอไปจะวันตายก็ไม่ได้มาวัดแต่ถ้าตั้งอธิษฐานว่าวันนี้จะจะเดินทางมาวัดพอถึงเวลาก็ออกเดินทางมาถ้าไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะวันนี้อาจจะไม่รู้จะไปไหนดีก็อาจจะอยู่บ้าน หรือถ้ามีเพื่อนมาชวนไปไหนมาไหนก็อาจจะไปกับเขาได้นี่คือความแตกต่างระหว่างของการมีอธิษฐานกับการไม่มีอธิษฐานถ้ามีอธิษฐานนี่เรามีเป้าหมายถ้าไม่มีอธิษฐานนี่เราไม่มีเป้าหมายเมื่อเราไม่มีเป้าหมายเราก็อาจจะ ไปมาไปไหนมาไหนตามอารมณ์ของเราหรือตามกระแสตอนนี้กระแสบอกว่าให้ไปชุมนุมกันก็อาจจะไปชุมนุมกันหรือเพื่อนโทรมาชวนให้ไปร่วมชุมนุมกันก็ไปถ้าไม่มีใครมาชวนก็ไม่ไป ถ้าไม่มีกระแสก็ไม่ไปไหนอยู่เฉยๆอยู่บ้านแต่ถ้ามีการตั้งเป้าหมายว่าจะไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมถึงแม้จะมีกระแสชวนให้ไปชุมนุมกันหรือมีเพื่อนมาชวนให้ไปทำนั่นทำนี่ แต่เมื่อได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะมาวัดก็อาจจะปฏิเสธเขาไปได้แต่ก็ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนใจได้ถ้าสิ่งที่เพื่อนชวนนั้นรู้สึกน่าสนใจกว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำก็อาจจะเปลี่ยนใจได้เช่นอาจจะตั้งใจมาวัดวันนี้พอดีเพื่อนโทรมาว่า มีตัวฟรีนะให้ไปดูภาพยนตร์หรือไปดูการแสดงอะไรที่นานๆจะมาสักครั้งหนึ่งในประเทศไทยคอนเสิร์ตของเคแบนก็อาจจะเปลี่ยนใจวันเดี๋ยววันหลังมาก็ได้วันมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เคแบนนี่นานๆมันจะมาสักทีนึ ก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนเป้าหมายของการกระทําไม่ถ้าต้องการไม่ให้มีการเปลี่ยนเป้าหมายของการกระทําคือตั้งใจว่าจะมาวัดแล้วนี้จะต้องมาให้ได้นี้จะทําอย่างไรก็ต้องมีทำข้อสองคือสัจจะขัดสัจจะก็คือความซื่อตรงซื่อสัตว์ต่อความตั้งใจของเรานั่นเอง เราตั้งใจอะไรเราก็ต้องไม่โกหกตัวเราเองไม่ใช่ตั้งใจ ว, ว่าวันนี้จะไม่กินเหล้าเดี๋ยวตอนเย็นเพื่อนโทรมาชวนไปกินเลี้ยงอ่ะเปลี่ยนใจไปกินเลี้ยงไปกินเหล้ากับเพื่อนแสดงว่าไม่มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะการตั้งใจการตั้งเป้าก็อาจจะล้มเหลวได้ การอธิษฐานว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ จ, จะเปลี่ยนใจได้เลิกได้แต่ถ้ามีสัจจะเข้ามากำกับคือตั้งใจจะทำอะไรแล้วเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีสัจจะแล้วแสดงว่าเปลี่ยนไม่ได้ถึงแม้มีใครจะเอาตั๋วฟีให้ไปดูดู ดูการแสดงของนักแสดงระดับโลก น, นานๆจะมาที่เมืองไทยสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าได้ตั้งใจได้ตั้งสัจจะแล้วนี้จะไม่เปลี่ยนงนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นคนลน้มเหลวคือตั้งอะไรแล้วก็ไม่สามารถทำตามที่เราตั้งได้เราก็ต้องมีธรรมะข้อที่สองคือมีสัจจะ อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ก่อนจ ะ, จ ะ, จะตัดสรู้ใต้โคนต้นโพนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งอธิษฐานแล้วก็สัจจะสัจสจะอธิษฐานนี่มักจะไปคู่กันถึงจะทำให้ไม่ล้มเหลวถ้าอธิษฐานอย่างเดียวนี่ล้มเหลวได้ตั้งใจจะไปทำอะไรอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจได้เช่นฝนตก ตั้งใจจะมาวัดฝนตกเปลี่ยนใจไม่มาวัดวแต่ถ้ามีสัจจะกำกับด้วยวสัจจะอธิษฐานเนี่ยถ้าสองอย่างนี้มาคู่กันแล้วนี่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่อยากจะเป็นคนที่ไร้สัจจะคนที่มีสัจจะก็คือคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อคาพูดของตนต่อความคิดของตน คิดอะไรก็จะต้องทำตามที่คิดพูดอะไรก็จะต้องทำตามที่พูดสัญญากับใครไว้ว่าจะทำอะไรก็ต้องทำตามสัญญาถึงจะเรียกว่าเป็นคนมีสัจจะ <Yeah. S 1> การที่เราต้องมีอธิษฐานสัจจะหรือสัจจะอธิษฐานนี้เพื่อเราจะได้ไปในทิศทางที่เราควรจะไปนั่นเอง สัจาะทิ่ฐานนี่ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับหางเสือเรือเรือนี้ถ้าไม่มีหางเสือมันลอยอยู่ในน้ำนี่มันก็จะไหลไปตามกระแสน้ำแต่ถ้ามีหางเสือนี้เราสามารถคัดเรือให้ไปในทิศทางที่เราต้องไปได้่ังนั้นถ้าเราต้องการไปมรรคผลนิพพานถ้าเราต้องการบรรลุมรรคผลนิพพาน เราก็ต้องตั้งการกระทำของเราที่จะพาให้เราไปสู่มรรคผลผนิพพานแล้วเราก็ต้องไม่เปลี่ยนใจฉะนันว่าชาตินี้เกิดมาแล้วนี้จะปฏิบัติธรรมจะเอาทิศชีวิตของเราให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมการงานทางโลกเราทำมามากพอแล้วเงินทองก็พอมีพอกินอยู่แล้ว สามารถที่จะไม่ไปทำงานได้แล้วสามารถเอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้แล้วเราก็ตั้งสัจจะอธิฐานขึ้นมาว่าเวลาที่เหลือของชีวิตนี้เราจะไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วเราจะอุทิศให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน เพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือการตั้งสัตจจะอธิษฐานตัวอย่างแต่ละคนอาจจะตั้งระดับสูงระดับต่ำได้บางคนว่าชาตินี้ขอทําบุญทําทานไปก่อนมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ก็จะแบ่งเอาไปทําบุญทําทานอย่างนี้ก็เป็นการตั้ง ตั้งอธิษฐานตั้งสัจจะ mm hmm. หรือจะตั้งสัจจะสูงกว่านั้นว่าชาตินี้จะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ mm hmm. จะไม่ทำบาปทำกรรม mm hmm. ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมา mm hmm. และอบายามุขต่างๆเ mm hmm. ช่นเล่นการพ น, นันเ mm hmm. ที่ยวเตร เกียดข้านและคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นนิสจะละเว้นการกระทาเหล่านี้ <Yeah. S 1> เราสามารถตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานสัจจะแบบนี้ได้เราอาจจะต้องดูกำลังของเราด้วยว่าเราทำได้หรือไม่ <Yeah. S 1> ถ้าเราไปตั้งในสิ่งที่เรายังทาไม่ได้มันก็จะล้มเหลวได้แล้วเราก็จะเหมือนกับโกหกตัวเอง อย่นก็ต้องดูกําลังของเราก่อนเราไม่ต้องา ต, ตั้งเป้าที่สูงสุดเอาทีละขั้นก็ได้ขั้นแรกก็ข อ, อให้อยู่ในขั้นของขั้นแรกก่อนทําขั้นแรกให้สําเร็จก่อนพอขั้นแรกสําเร็จแล้วก็ตั้งขั้นที่สองต่อไปได้ขั้นแรกก็ จ, จะขอทําบุญทําทาน ไปมีเงินมีทองตอนนี้จะเลิกใช้เงินไปกับของฟุ่มเฟือยต่างๆจะเลิกใช้เงินกับการไปเที่ยวเตะไปซื้อของไม่จําเป็นไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกรินกายจะอาเงินทองมาซื้อความสุขจากการทําบุญทําทานเพราะเป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ทําให้อิ่มทาให้มิไม่หิว เหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะทำให้หิวอยู่เรื่อยๆเพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วก็จะจะติดจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานนี้เป็นเหมือนอาหารของใจได้ทำบุญทําทานแล้วทำให้ใจอิ่มใจสุข ใจจะไม่หิวกับลูกเสียงเกลื่นลดต่าง ๆ, ๆนี่ก็คือขั้นของการสร้างสัจจะอธิษฐานเมื่อเราตั้งสัจจะแล้วเราก็ต้องมีทำข้อที่สาถึงจะทำให้สำเร็จตามความที่เราตั้งใจได้ก็คือเราต้องมีวิริยะความภาคเพียรนั่นเอง สร้างแล้วไม่ทําก็ไม่ได้สร้างว่าจะมาวัดพอถึงเวลาไม่เปลี่ยนใจจะมาแต่พอดีฝนตกฝนตกก็เลยขอพักไว้ก่อนรอให้ฝนหยุดก่อนถึงจะมาอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่มีวิริยะถ้ามีวิริยะฝนตกก็ต้องมา ถ้ายังมาได้อยู่น้ำไม่ท่วมยังขับรถมาได้ก็จะขับมาถึงแม้จะไม่สะดวกบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าลำบากก็ต้องมีธรรมข้อที่สี่คือขันติคว า, ามอดทนถ้าไม่อดทนนี้พอเจออะไรที่ยากลำบากหน่อยก็จะยกทงขาวถึงแม้ว่าจะไม่เปลี่ยนใจแต่ก็หยุดชะงักไว้ก่อนไปไม่ได้ เพราะขาดความอดทนดันั้นการที่เราจะปฏิบัติทำให้ได้สาเร็จได้มากผลมิผานนี้เราต้องมีทรสี่ข้อนี้คือข้อที่หนึ่งต้องมีอธิษฐานมีความตั้งเฝ้าตั้งใจว่าจะทำอะไรข้อที่สองมีศัจดต่อความตั้งใจความจริงใจของเราต้องมีความจริงใจต่อการ ตั้งเป้าหมายของเรา ต, ตั้งว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้มไม่ใช่เปลี่ยนใจหรือเลิก<ม>หรือหยุด<ม>แล้วเมื่อตั้งแล้วเมื่อถึงเวลาจะต้องทำก็ต้องใช้ความขยัน<ม>ความภาคภูีิใจเพราะบางทีไม่อยากทำ<ม>ถึงแม้ว่าตั้งเป้าไว้แล้วแต่พอถึงเวลาจะให้ทำ<ม>ก็ไม่อยากจะทำ<ม>อยากจะนอนบ้าง อยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างก็ต้องบังคับด้วยความเพียรให้มาเพียรทําตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็ต้องมีขันติ่าอาจจะไปเจอความทุกข์ยากลำบากจากการกระทาก็ต้องอดทนต้องมีขันติอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพธิ์พระพุทธเจ้าก็ตั้งสาจาัจจะอธิษฐานว่า เราจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่เราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดพอตั้งใจแล้วทีนี้พอง ก, ก็นั่งแล้วก็เจริญสติอานาปนสติแล้วก็พ อ, อจิตสงบ อ, ออกจากสมาธิมา ก็เริ่มจเจริญวิปัสนาพิจารณาขันห้าพิจารณาจิตในขณะที่ต้องต่อสู้กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการนั่งพิจารณาก็ใช้ปัญญาใช้ขันติความอดทนสู้กับความเจ็บปวดธรรมดาเวลานั่งสมาธิไปแล้วไม่นาน ม, มันร่างกายจะต้องมีการเจ็บปวดขึ้นมาทุกคน ถ้าไม่มีขันตินี้ก็อาจจะทนต่อนั่งต่อไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้านี้ได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ลุกจากที่นี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้เลือดจะให้อดแห้งไปจากร่างกายไปก็จะไม่ยอมลุกถ้ายังไม่ได้พ้นทุก์ยังไม่ได้ตับทะลุทางสู่การพ้นทุกจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปจะไม่เลิกภาวนา จะภาวนาละเจริญสติจเจริญปัญญาไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถพบอนะริยสัจความความจริงของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรนะการดับของความทุกข์นี้ดับได้อย่างไร ใ, ในเมื่อพระองค์ทรงตั้งสัจจะแล้วพระองค์ก็ไม่หยุดภาวนาภาวนาไปพิ จ, จารณาไปหาสาเหตุไป ร่างกายจะเจ็บจะปวดยังไงก็ไม่สนใจใช้ความอดทนต่อสู้กับมันไปจนในที่สุดท่องก็ได้ตัดชื้อได้เห็นอริยรสัจสีทั้งฝ่ายที่เป็นทุกข์และฝ่ายที่ดับทุกข์ตอนต้นก็เห็นฝ่ายที่เป็นทุกข์ก่อนคือฝ่ายของกิเลตตัณหาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ แล้วต่อมาก็เห็นฝ่ายของการดับทุกข์คือมรรคเห็นมรรคคือศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นผู้ที่จะมาดับความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ภายในใจโนยในที่สุดก็สามารถดับความทุกข์ใจได้อย่างสิ้นเชิงได้บรรลุถึงพระนิพพานนี่คือการตั้งสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้า การทำความเพียรของพระพุทธเจ้ากับความอดทนของพระพุทธเจ้าจึงทำให้พระพุทธเจ้าในที่สุดก็ได้ตัดสริรูเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมมัส ส, าสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นที่พึ่องอันสูงสุดของโล ก, ก, กไม่มีที่พึ่องอันใดในโลกนี้ ที่จะดีเท่ากับที่พึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำให้กับพวกเราได้คือทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้อย่างสิ้นเชิงไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะดับความทุกข์ใจของพวกเราได้อย่างสิ้นเชิงมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นและภาษาวกของพระพุทธเจ้า และพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัพณะที่สูงสุดพุทธังธรรมังสังขังสรรนางกัะฉาม <Okay. S 1> นี่คือธรรมสี่ประการที่ผู้ต้องการจะปฏิบัติทมให้ได้บรรลุถึงมรรคนิพพานจำเป็นที่จะต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะแล้วก็มีขันติและ ต้องทำไปเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเราข้ามขั้นเราจะไม่มีกําลังที่จะทําได้แล้วการตั้งสัจจะอธิษฐานของเราก็จะล้มเหลวเองทศเจ้าจึงสอนให้เราทําเป็นขั้นขั้นไปขั้นบันไดที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานนี้ก็เริ่มต้นที่ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่งก็คือให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงนี่คือผู้ที่จะไปนิพพานนี้ต้องไม่มีความอาฆาตพยาบาทไม่มีความโกรธเกลียดใครต้องมีแต่ความเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงไม่จองเวรจองกรรมไม่เบียดเบียนไม่ทําให้ผู้อื่นทุกข์กายทุกข์ใจไม่ทําให้ มีแต่ทําให้ผู้อื่นมีความสุขนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งเป้าในอันดับแรกถ้าเราต้องการจะไปนิพพานตอนนี้เราจะมีความเมตตาต่อสรรัตว์ประสาททั้งปวงข้อที่หนึ่งอาเวลาโหนตุสัพเพสัตตาจะไม่มีเวรกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง สัตว์นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานสัตว์นี้หมายถึงสัตว์ที่แล้เวียนว่ายตายเกิดในไตโพธคือสัตว์ทุกชนิดมนุษย์ก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งเดรัจฉานก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งเปรตอสูรลกายก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งเทวดาก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งพรมก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งสัตว์เหล่านี้ถ้าเราได้พบปากกับเขา เราต้องให้ความเมตตาต่อเขาจะไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาไม่รังเกียจเขาจะไม่เบียดเบียนเขาจะไม่ทําร้ายเขาจะให้แต่ความสุขกับเขานี่คือการมีเมตตาการกระทําที่ทําให้ผู้อื่นมีความสุขการกระทําที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเรียกว่าเป็นการมีเมตตา เพราะันเมตตานี้ต้องเกิดจากการกระทาไม่ได้เกิดจากการสวดอย่างที่พวกเราเข้าใจกันเพราะเรามักคิดว่าหลังจากนั่งสมาธิแล้วเราต้องแผ่เมตตาด้วยการสวดบทแผ่เมตตาสเปสตาอเวลาหนตุอย่างนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเพราะไม่มีใครมารับการแผ่เมตตาของเรา จะแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันเช่นตอนนี้เรามาพบปะกันเรามานั่งสมาธิกันนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันถ้าที่นั่งมันไม่พอนั่งเราพอใช้ขยับได้แบ่งให้คนอื่นได้เขาจะได้มีที่นั่งบ้างอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาให้ความสุขกับเขาไม่ใช่นั่งคนเดียวขวางคนอื่นไปหมดนั่ง ใครจะมานั่งหน่อยก็ไม่ได้ mm hmm. นั่งตรงกลางข้างซ้ายข้างขวาก็นั่งไม่ได้ mm hmm. แต่ถ้าขยับซะหน่อย mm hmm. ขยับไปทางซ้ายหรือไปทางขวาคนอื่นเขาก็จะได้มานั่งได้อีกที่หนึง่ง mm hmm. นี่คือการแผ่เมตตา mm hmm. ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันไม่ใช่แผ่ตอนที่เราสวด mm hmm. ตอนสวดนี้ความจริงเป็นการศึกษาหรือเป็นการสอนใจ ว่าการแผ่เมตตานี้แผ่อย่างไรบ้างแผ่ด้วยการไม่จองเวรให้อภัยแผ่ด้วยการไม่เบียดเบียนกันแผ่ด้วยการไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันแผ่ด้วยการให้ความสุขต่อกันนี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันทุกครั้งที่เรามาพบปะกัน ใครเขาพูดอะไรไม่ดีทำให้เราโกรธก็ต้องรีบดับทันทีให้อภัยเขา ท, ทันทีไม่จองเวรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคำพูดของเขาบางทีก็อาจจะพูดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้หรืออาจจะตั้งใจก็เพราะเขามีอารมณ์ไม่ดีก็ได้แต่เราไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะการโกรธเขาก็ไม่ได้ไปทำให้เราดีจะจับทำให้เราเลวลงเลย ทาให้เรากลายเป็นคนไม่มีความเมตตาไปขาดความเมตตาได้เราก็ทำอะไรให้เราโกรธเราก็เลยไปด่าเขาอย่างนี้แล้วเราจะไปดีได้อย่างไรพอเข า, <ม> เ, ขาเราด่าเขาก็มองเราว่าเราไม่ดีนะพอเราเห็นพราะเขาเห็นว่าเราไม่ดีเขาก็เลยไม่ดีกับเราต่อพอเราไปด่าเขาเขาก็เลยกลับมาด่าเราอีแต่ถ้าเราไม่ด่าเขาจะบอกไม่เป็นไรนี่เป็นไรเก็บนิดเดียวเดี๋ยวก็หายเอ เรื่องก็จบเราก็ยังเป็นคนดีอยู่เขาก็จะรู้สึกเสียใจว่าเขาไปทำอะไรที่ไม่ดีแต่เรากลับไม่ไปถือโทษโกรธเคืองเขาแล้วใจเราก็จะเย็นด้วยแต่ถ้าเราโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่นี้ใจเราจะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีแล้วถ้าใจเราไม่มีพามเมตตานี้เราจะไม่สามารถขึ้นไปสู่การปฏิบัติ ขั้นที่สองได้ขั้นต่อไปได้ต้องมีความเมตตาก่อนถ้ามีความเมตตาแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายไม่วุ่นวายไม่มีปัญหากับใครพอเรามีความเมตตาแล้วเราก็ตั้งอธิษฐานข้อต่อไปตั้งตั้งเป้าข้อต่อไปข้อที่สองที่พระจ้าให้เราตั้งก็คือให้เรา ทำทานกันเจริญทานบารมีกันทำทานแบ่งปันถ้าเรามีเหลือเฟื อ, อเหลือใช้เหลือกินเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้คือเงินทองที่มีอยู่นี้ท่านก็สอนว่าให้เราแบ่งไว้เป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็ใช้กับสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องใช้เป็นประจำะเช่นปัจจัย4เพื่อการดำรงชีพ ส่วนที่สองก็เอาไว้เก็บไว้สำรองไว้เผื่อวันข้างหน้าอาจจะขาดแคลนได้อาจจะเงินทองที่เอามาใช้ไม่พอใช้ก็จะได้เอาเงินสำรองนี้มาใช้จะได้ไม่เดือดร้อนส่วนที่สามท่านก็บอกว่าให้เอาไปทำทานเอาไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นบ้างแบ่งความสุขให้เขาบ้าง แล้วอยู่สุขอยู่สบายคนอื่นเขาอยู่ทุกข์ยากเดือดร้อนถ้าเราพอที่จะแบ่งปันความสุขของเราให้กับเขาได้เราก็ควรจะทากันเป็นการสร้างบารมีเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นยกให้จิตใจของสูสงจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาอยากจะเป็นเทวดาอยากจะไปสวรรค์ จำเป็นที่จะต้องมีการทำทานกันมีการให้ความสุขแก่ผู้อื่นถ้าเรามีเมตตาแล้วเราจะรู้สึกทำได้ง่ายเพราะคนที่มีเมตตานี้ก็อยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าเห็นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเขาอยากจะบรรเทาความทุกข์ของเขา<ม>ก็จะสามารถที่จะทำทานได้่<ม>างนั้นพอเรามีความเมตตาแล้ว เราก็สามารถที่จะตั้งเป้าข้อที่สองได้ว่าต่อไปนี้เราจะทําบุญทําทานเราจะเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งไว้สําหรับการทําบุญทําทานจะเก็บไว้มากน้อยก็อยู่ที่เราเราสามารถเลือกได้ถ้าทํามากเราก็จะได้บุญมากได้ความสุขมากถ้าทําน้อยเราก็จะได้ความสุขน้อยนี่คือการตั้งเป้า อาจจะตั้งว่าต่อไปนี้ จ, จะแบ่งเงินรายได้ของเราร้อยละสามสิบมาให้กับการทำบุญทำทานถ้าแบ่งเป็นสามส่วนอีกสองส่วนก็แบ่งไว้สำหรับใช้ใจ่ายกับสิ่งที่จำเป็นอีกส่วนก็เก็บสำรองเอาไว้เผื่อวันข้างหน้า อ, อีกส่วนหนึ่งก็เอามาทำบุญทำทานจะไม่เอาเงินส่วนนี้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่น พอเป็นเหมือนไปซื้อยาเสพติดมาเสพให้เอากันแบบนี้ไปทำบุญเพื่อเอาอาหารมาให้กับใจใจจะได้ไม่เป็นโรคติดยาเสพติดคนที่เที่ยวแล้วจะติดเที่ยวคนที่ช้อปปิ้งแล้วก็จะติดช้อปปิ้งคนที่ไปดูหนังฟังเพลงก็จะติดกับการดูหนังฟังเพลงจะต้องทำไปเรื่อยๆ เวลาใดที่ไม่ได้ทำเวลานั้นก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่สบายใจแต่คนที่ทำบุญทำทานนี้จะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นถึงแม้เวลาที่ไม่มีไม่ได้ทำบุญทำทานก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่เหมือนกับคนที่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่เวลาไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินไม่ได้ดื่มเราจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจ นี่คือการตั้งข้อที่สองตั้งสัจจะข้อที่สองว่าต่อไปนี้เราจะเอาเงินส่วนหนึ่งนี้ไปทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอทำแบบไหนก็ได้ทำกับใครก็ได้ไม่สำคัญขอให้ได้ทำกแล้วกันขอให้ได้เสียสละแบ่งปันบุญเกิดจากการเสียสละแบ่งปันไม่ได้เกิดจากการทำบุญกับคนนั้นคนนี้ทำกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ อันนั้นเป็นเพียงเป็นเพียงผู้มารับการกระทําของเราแต่ผู้ที่ได้รับการกระทําคือเราได้เสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองของเราให้แก่ผู้ไปงั้นทํากับวัดก็ได้ทํากับโรงเรียนก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับสัตว์เลี้ยงก็ได้ทํากับสัตว์จอนจัดก็ได้สุนัขจรจัดเอ่ย หรือไปถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้ปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้เหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นทานเป็นเป็นการให้ความสุขแก่ผู้เมื่อทำแล้วจะทำให้เกิดความสุขสุขให้กับใจแล้วจะทำให้ใจนี้กลายเป็นผู้ให้เป็นผู้ไม่โลกเป็นผู้เป็นเทวดาขึ้นมานี่คือ ขั้นที่ขั้นที่สองหลังจากที่เราได้มีเมตตาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำทานง่ายเราก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายได้ของเราไปกับการทำบุญทําทานแล้วพอเราทำบุญทําทานได้นะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานถลงขั้นที่สามขั้นที่สามก็คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ก่อนหน้านี้เราอาจจะรักษาศีลแต่จจะพังเผอบ้างอาจจะตกยุงบ้างอาจจะทาอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่พังเผอทำไปบ้างต่อไปนี้เราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่คือข้อที่สามให้ตั้งว่าต่อไปนี้เราจะรักษาศีลห้าให้ได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ ถ้าเราตั้งแล้วเราจะมีความระมัดระวังมากขึ้นเราจะมีความมีสติมากขึ้นเราจะคอยดูว่าเรากําลังทําผิดศีลหรือไม่ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้เวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปอบายกันเพราะเหตุที่พาให้เราไปอบายก็คือการกระทําบาสนี่แต่ถ้าเราไม่กระทำบาปแล้วเราไม่ไปอบาย เราจะไปสวรรค์แทนเราจะพุ่งไปสู่พระนิพพานเพราะก่อนจะไปถึงพระนิพพานได้เราต้องผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนเบื้องต้นก็ต้องไปสวรรค์ชั้นเทพก่อนสวรรค์ชั้นเทพก็เกิดจากการทำบุญทาทานเกิดจากการมีความเมตตาแล้วก็เกิดจากการไม่ทำบาปถ้าทำบาปนี้บาปจะดึงให้เราไปอีกทางไปลงต่ำไม่ได้พาให้เราขึ้นสูง ถ้าบาปที่เราทํานี้มากกว่าบุญที่เราทำํำแต่ถ้าบุญที่เราทํานี้มากมีมากกว่าบาปที่เราทําเราก็ยังไปสวรรค์กันได้อยู่ฉะนั้นต้องพยายามทําบุญให้มากๆแล้วทาบาปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่เราจะได้ไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปคือไปสู่พระนิพพานต้องผ่านชั้นสวรรค์ชั้นเทพก่อน ้นจะผ่านสวรรค์ชั้นเทพได้นี้ต้องตั้งศัจด์จะอธิษฐานที่จะรักษาสีนหน้าให้บริสุทธิ์ mm hmm. มีสามข้อนี้แล้วก็ไปสวรรค์ชั้นเทพได้อย่างแน่นอน mm hmm. ถ้ามีเมตตาธรรมทานอย่างสม่ำเสมอและเว้นจากการกระทำบาปและอบายมุกทั้งหลาย mm hmm. ถ้าทำได้ mm hmm. เราก็จะ ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วต่อไปเราก็จะได้ขยับขึ้นสู่สวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรมต่อไปก<ม>ารที่เราจะขยับขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมได้เราก็ต้องตั้งศัจจะอธิษฐานข้อที่4ข้อที่1นึสาเราได้แล้วข้อที่4คืออะไรข้อที่สี่ก็คือเนคขมมะเราต้องปฏิบัติเนคขมมะ คำว่าเน่ฆมะก็คือการละเว้นการเสพกามนี่เองการหาความสุขแบบเทวดานี่ยังเสพกามอยู่เทวดายังเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสแต่เสพด้วยความเมตตาเสพด้วยการไม่กระทำบาปแต่ถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเพื่อจะได้เข้าไปสู่ใกล้พระนิพพานเข้าไปก็ต้องขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม การจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้นี้ก็ต้องมีการสร้างสัจจะอธิษฐานอยู่อีกสองข้อข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีต้องปฏิบัติในคัมมะคือละเว้นการเสกรูปเสียงกลิ่นลดเพื่อความสุขคือการมาถือศีลแปดนี้เองศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยบเจ็ดนี้ เป็นเน่ฆัมมะเป็นการเจริญเป็นการปฏิบัติเน่ฆัมมะการละเวน้นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องตั้งข้อที่5ข้อที่5ก็คือต้องเจริญอุเบกขาต้องปฏิบัติให้มีอุเบกขาขึ้นมาในใจอุเบกขานี้ก็เกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบ ให้เข้าสู่ระดับอัปปนาสมาธิถ้าจิตเข้าสู่ระดับอัปปนาสมาธิจิตก็จะได้อุเบกขาดัางนั้นผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่พระนิพพานต้องไปสู่สวรรค์ชั้นพรมก่อนต้องออกจากสวรรค์ชั้นเทพหลังจากที่ได้ทำบุญทมทานได้รักษาสีลห้าแล้วทีนี้ก็มาเปลี่ยน บุญที่ทํานี้ก็ทําให้มันหมดไปเลยมีเงินเท่าไหร่ก็ทําไปให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องทําบุญอีกต่อไปหรือไม่เช่นั้นก็เก็บเอาไว้สํารองไว้ใช้เผื่อในวันจําเป็นก็ได้มาทุ่มเทให้กับการ <c oughs> จเจริญเนคขมะกับการจเจริญอุเบกขา <c oughs> เพราะการจเจริญเนคขมะกับอุเบกขานี้จําเป็นที่จะต้องไปปรีกวิเวทไม่ไป ที่มีชุมชนมเช่นเป็นการไปทําบุญทอดกรถินอย่างนี้ mm hmm. ถ้าไปทําบุญทอดกรถินมันก็ไปขัดกับการไปภาวนาเปนการทําใจให้สงบ mm hmm. ผู้ที่เข้าสู่ธรรมะระดับเนคขมะระดับอุเบกขาแล้วนี้จําเป็นที่จะต้องหยุด mm hmm. การทําบุญทําทาน mm hmm. แบบที่จะต้องไป พบปะ ก, กับคนนั้นคนนี้ไปร่วมชุมนุมกันไปสังสรรค์กันไปคุกคลีกันเพราะจะทําให้การเจริญเนคขมะกับการเจริญอุเบกขานี้เป็นไปได้ยากเพราะถ้าได้เห็นรูปเสียงก ล, ลิ่นลอดแลเดี๋ยวก็เกิดกามฉันทะขึ้นมาเกิดความอยากจะเสพรูปเสียงขึ้นมาแล้วเสพรูปเสียงกลิ่นลอดก็จะไม่สามารถไปเจริญเนคขมะบารมีไม่สามารถไปเจริญอุเบกขาได้ จำเป็นที่จะต้องแขวนไว้ก่อนการทำบุญทำทาน ง, งานต่างๆงานบุญต่างๆนี้สำหรับผู้ที่จะต้องการจเจริญเนคขมะกบเบขานี้จำเป็นต้องระ ง, งับไว้ก่อนหรือถ้าจะทำก็ทำแบบง่ายๆฝากเงินใครเข้าไปทำก็ได้ใครจะไปทอดกรถินชวนเราไปเราบอกเราไม่ว่างเราจะไปภาวนาจะไปเจริญเนคามะไปเจริญ อ, อุเบขา ฝากเงินไปก็แล้วกันถ้ายังอยากจะทำบุญอยู่ก็ยังทำได้อย่าททำบุญแบบที่จะทำให้เราต้องอ อ, อกจากการไปปีกวิเวกถ้าไม่ปีกวิเวกแล้วทำสองข้อนี้เราจะทำไม่ได้จะสร้างขึ้นมาไม่ได้จะสร้างเนตรข ม, มะไม่ได้จะสร้างอุบเบกขาขึ้นมาไม่ได้งั้นเราต้องอต้องเปลี่ยนวิธีนะ ถ้าทำบุญทาทานรักษาศีลห้าก็เล่ามาเปลี่ยนเป็นการรักษาศีลแปแล้วก็ไปเปรีกวิเวกไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องตั้งตั้งตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะไปปีกวิเวกเราจะถือศีลแปดเราจะไม่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ<ม>เราจะไปหาความสุข ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการทำใจให้เป็นอุเบกขาเพราะใจที่เป็นอุเบกขานี้จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือนัตติสันติปรังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี้แหละที่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขาขึ้นมามีอุเบกขามีเนคขมมาก ข, ขึ้นมา ถ้าได้เนฆามะได้อุเบกขาใจก็จะขยับออกจากสวรรค์ชั้นเทพขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมต่อไปสวรรค์ชั้นพรหมก็มีสองระดับระดับรูปประพรมกับอรูปประพรมรูปประพรมก็เกิดจากการได้รูปฌานได้อรูปประพรมก็เกิดจากการได้อรูปฌานรูปฌานก็มีสี่อรูปฌานก็มีสี่ กจากการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอไม่ควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ถ้าใจยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ใจจะสงบไม่ได้จะเข้าฌานไม่ได้เฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะเข้าฌานเข้าสู่อัปปนาสมาธิเพื่อให้ได้อุบเบกขานี้จําเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทุกเวลา ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ต้องเริ่มเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดจึงจำเป็นต้องไปอยู่คนเดียวไปเปรีกวิเวกเพราะถ้าอยู่กันหลายคนพอเจอหน้ากันก็ต้องทักทายกันต้องคุยกัน <c oughs> เวลาทักทายก็ต้องคิดเวลาคุยก็ต้องคิด <c oughs> เมื่อมีการคิดก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้ <c oughs> ผู้ที่ต้องการทาใจให้สงบให้เป็นอุเบกขา จึงจำเป็นที่จะต้องไปปรีกวเว้แล้วก็ไปถือเนคขมมะสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลินกายไม่ให้ไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเมื่อเสพแล้วจะทำให้ใจร้อนด้วยกาะฉันทะใจร้อนแล้วก็จะทำให้สงบไม่ได้นี่คือต้องตั้งสัจจะถ้าเรามาถึงขั้นนี้ได้นะ ถ้าเราผ่านขั้นเมตตาได้ผ่านขั้นทานได้ผ่านขั้นศีลได้เราก็ต้องมาขั้นเนกขมมะเปลี่ยนจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยิบเจ็ดบางท่านก็ทําแบบชั่วครั้งชั่วคราวก่อนอยังอาจจะตั้งสัจจะอธิฐานว่าทุกวันพระจะมาเจริญเนกขมมะกัลเบคขาบาลมีเอาแค่เฉพาะวันพระก่อนเพราะรู้กําลังว่ายัางทํา มากกว่านี้ไม่ได้เพราะยังมีบ่วงต่างๆอยู่มีครอบครวัวมีสามีมีภรรยามีกิจธุระอะไรต่างๆที่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้อ ย, อย่างน้อยก็ขอมาปล่อยวางอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีคือวันพระวันพระก็ตั้งตั้งจัจะาทิฏฐานว่าวันนี้จะมาเจริญ ในขมมะกับเจริญอุเบกขาในขมมะก็คือจะไม่หาความสุขจากรูปเสียงกียรนิรสต่างๆด้วยการรักษาศีนแปแล้วก็มาเจริญอุเบกขาด้วยการเจริญสติคอยควบคุมความคิดต่างๆโดยใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นผู้หยุดความคิดเช่นใช้พุทธานุสติก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโ ธ, พ, ทโธพุทโธไปเรื่อยๆ ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธมันก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราไม่ใช้พุโทโธเราจะใช้ร่างกายก็ได้ให้เราใจเราจดจอ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าเรื่องไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรใจเราต้องทำควบคู่ไปกับร่างกายร่างกายอาบน้ำใจก็อาบน้ำไปกับร่างกายร่างกายรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวก็ทา ไปกับร่างกายไม่ให้ใจไปที่อื่นให้ใจอยู่กับการกระทำของร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกายะกะตาสติการฉลรณสติด้วยการใช้ร่างกายเป็นอารมณ์การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอารมณ์ถ้าเราใช้แบบนี้เราก็จะสามารถยับยั้งความคิดต่างๆได้เพราะว่าใจจะต้องมาคอยดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นเอง จะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไปคิดก็แสดงว่าไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วเรียกว่าขาดสติแล้วเผลอสติแล้วนี่คือการจเจริญสติที่เราต้องทำก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันเพราะถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมความคิดควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไปกับเรื่องราวต่างๆได้อยู่เวลานั่งสมาธินใจจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ พอจะถูกความคิดต่างๆดึงไปจะถูกอารมณ์ต่างๆดึงไปจะถูกรูปเสียงกิ่นลดต่างๆมาคอยดึงไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามีสติแล้วใจก็จะตั้งมั่นจะแน่วแน่จะไม่มีอะไรที่จะสามารถมาดึงใจให้ไปจากงานที่กาลังทาอยู่ได้เวลานั่งสมาธิก็ต้องต้องทำงานไม่ใช่นั่งเฉยๆ บางคนคิดว่านั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็นั่งเฉยๆไปอย่างนี้นั่งไปจนวันตายก็ไม่สงบเพราะยังไม่ได้ควบคุมใจไม่ได้ควบคุมความคิดนั่นเองเดี๋ยวใจมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้ปรากฏมีภาพบ้างมีเสียงบ้างมีอะไรบ้างปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งก็ไปคิดว่าได้ผลแล้วนั่งมาเพื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นความเข้าใจผิด ของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องนี้นั่งเพื่อให้ใจว่างใจสงบใจเป็นอุเบกขา<ม>และมีความสุขจากการมีอุเบกขา<ม>ถ้ายังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาเรียกว่าใจกำลังเผลอสติ<ม>ขาดสติใจไม่ภาวนาใจไม่อยู่กับอารมณ์ที่ที่ควรจะอยู่ คืออย่าไปนั่งเฉยๆเวลานั่งแล้วต้องมีงานให้ใจทำงานก็คือการเจริญสติอยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพุทธโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติอยู่กับลมหายใจเราก็เรียกว่าอานาปานาสติเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องเอาสองอย่างรวมกันแต่บางท่านอยากจะรวมกันก็ไม่ห้าม แต่คิดว่าผลจะดีกว่าถ้าสามารถเอาอย่างใดยอย่างหนึ่งได้เพราะไม่เคยได้ยินว่าคนที่ใช้สองอย่างนี้จิตจะรวมเนี่ยมีแต่ได้ยินและได้พิสูจน์ว่าจิตจะรวมนี้จิตจะต้องทำอย่างใดยอย่างหนึ่งพุโทโธอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวแต่ถ้ายังทาไม่ได้ก็อาจจะใช้พุทกับลมผสมกันไปก่อนแล้วพอกำลังของสติมากพอก็เลือกเอาอย่างใดยอย่างหนึ่ง อาพุทโธอย่างเดียวไปเลยก็ได้หรือเอารมอย่างเดียวไปก็ได้จิตจะได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ต่อไปเข้าสู่อุเบกขาได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาก่อนจะได้อุเบกขาต้องมีเนคขมมะก่อนต้องปีกวิเวกต้องสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ให้ไปสัมผัสเกี่ยวับรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาจึงจาเป็นต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสของธรรมชาติตามป่าตามเขาที่จะไม่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ไม่ให้กระตุ้นให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาได้มีความจำเป็นต้องไปอยู่คนเดียวเพราะถ้าเจอกันเเดี๋ยวก็อดที่จะต้องคุยกันไม่ได้ทักทายกันไม่ได้ เพราะถ้าไม่ทักทายเขาก็จะรู้สึกว่าเราหยิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะว่าเราหรือเปล่าคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานา <c oughs> ก็เลยจำเป็นที่จะต้องทักทายกันพอทักทายกันทีนี้ก็ยาวแล้วสิคุย <c oughs> เรื่องนั้นคุย <c oughs> เรื่องนี้น <c oughs> พุ้งไปเลย <c oughs> แทนที่จะทําใจให้ว่างจากความคิดกลับไปสร้างความคิดผลิตความคิดตัวใจเป็นความพุ่งสร้างขึ้นมาได้ อย่าจะถ้าดีแล้วก็ไปปีกเวิเวถ้าต้องเจอกันก็เจอกันแบบรู้กันว่าไม่ให้คุยกันต่างคนต่างสำรวมกายวาจาใจของตนถ้าไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องคุยกันเลยก็ไม่ต้องคุยกันไม่ต้องทักกันพยักหน้าหน่อยก็พอแล้วก็ไปทำกิจของตนเพราะบางครั้งอาจจะต้องมาทำกิจร่วมกันเช่นมาฟังเทศฟังธรรม เมื่อมาร่วมรับประทานอาหารร่วมทำความสะอาดสถานที่เป็นต้นก็อาจจะต้องมาพบปะกันบ้างแต่พบปะกันแบบมีสติคือยมคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปพูดไปคุยกันทำภารกิจที่จาเป็นเสร็จก็แยกกันไปแยกกันไปอยู่ตามลาพังต่อไปเพื่อจะได้เจริญสติได้ง่ายถ้าอยู่คนเดียวนี้มันควบคุมความคิดได้ง่าย ถ้าอยู่กับหลายคนนี่เดี๋ยวคนนั้นก็ดึงใบคนนี้ก็ดึงมาเอเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เข้ามาวุ่นวายไปหมดนจะจะหยุดความคิดไม่ได้เห้นจําเป็นที่จะต้องไปอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกแล้วจะสามารถที่จะควบคุมข ค, ความคิดได้อทําให้ความคิดมีน้อยลงหรือแทบจะไม่คิดเลยเป็นพักๆแล้วพอมีเวลาว่างก็ไปนั่งสมาธิะ ที่นั่งแล้วก็กำหนดอารมณ์ขึ้นมาพุโทโธก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่ห้ามนั่งเฉยๆอย่าห้ามนั่งดูจิตจิตดูไม่ได้ตอนนี้จิตนี้ดักกิเลสดูแล้วก็จะผลิตกิเลสขึ้นมามาสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือความว่างของจิตสิ่งที่เราต้องการก็คือความว่างถ้าจิตว่างเมื่อไหร่แล้วนั่นะตอนนั้นถึงจะดูจิตได้ เพราะว่าเราจะได้ดูว่าเวลาที่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเราจะได้รู้ว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าจิตไม่ว่างนี้กิเลสมันโผล่ขึ้นมาตลอดเวลาดูก็ดูกิเลสไปทั้งนี้ดูกิเลสเดี๋ยวก็ถู ก, กิเลสหลอกทั่นหลอกให้หลงหลอกให้รักหลอกให้ชังหลอกให้กลัวได้นั่งไปนั่งมาเดี๋ยวกิเลสผลิตภาพหวาดเสียหวายกลัวขึ้นมาก็ตกใจกลัวไปได้หรือเป็นสร้างภาพที่สวยงามขึ้นมาก็เกิด ความรักขึ้นมาได้มันทำให้จิตไม่เป็นอุเบกขาถ้านั่งดูจิตเฉยๆในขณะที่เราเพิ่งเริ่มต้นถ้าเรายังไม่มีสมาธิถ้าเรายังไม่มีอัปปนาสมาธินี่ยังไม่ได้อยู่ในขั้นที่จะสามารถดูจิตได้จะดูจิตได้ต้องผ่านขั้นอัปปนาสมาธิไปก่อนขั้นจิตว่างก่อนเมื่อจิตว่างแล้วเราถึงจะได้ดูจิตว่าเวลาจิตไม่ว่างนี้ เป็นอะไรก็จะเป็นกิเลส ท, ทั้งนั้นเพราะความคิดที่ยังไม่ได้ใช้ปัญญากัณฑ์กองกรรมจัดนี้มันจะเป็นความคิดของกิเลส ท, ทั้งนั้นเดี๋ยวก็แวบขึ้นมาไปเที่ยวดีไหมไปดูไว้นั่นดีไหมไปฟังไว้นั่นดีไหมอตอนนั้นเราก็จะได้ใช้สติหยุดมันได้แต่ถ้าเบื้องต้นนี้ถ้ายังไม่ว่างยังไม่สงบนี้อย่าเพิ่งดูจิตให้ดูลมหรือให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อน ให้จิตสงบให้จิตว่างก่อนแล้วหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วตอนนั้นก็จะสามารถดูจิตได้หรือว่าตอนนี้ความโลภโกรดขึ้นมาหรือยังความโกรดเกิดขึ้นมาหรือยังความหลงเกิดขึ้นมาหรือยังถ้าเกิดขึ้นมาเราจะได้ใช้สติหรือใช้ปัญญากําจัดมันต่อไปได้ง <Yeah. S 1> นั้นนี่คือการดูจิตจะดูจิตได้นี่ต้องดูหลังจากที่มีอัปปนาสมาธิแล้วมีอุบเบกขาแล้ว มีสติที่จะคอยหยุดกิเลสได้แล้วถึงจะไปดูจิตถ้ายังไม่มีสติกําลังพอที่จะไปหยุดกิเลสตัณหาถ้ายังไม่สามารถแยกแยะเห็นว่าอะไรเป็นกิเลสนี่<ม>ก็จะดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจจะทําให้หลงทางได้เ<ม>พราะจิตจะไม่มีวันสงบจะไม่มีวันได้อุเบกขา เมื่อไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบจะไปทางปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรปัญญาบอกว่าต้องละความโลภเวลาความโลภเกิดขึ้นมาก็ไม่มีกําลังที่จะไปละมันให้ละความโกรธมันก็ละไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขาอุเบกขานี่เป็นตัวที่หยุดจิตได้หยุดความโกรธได้หยุดความโลภได้ถ้าปัญญาบอกว่าโกรธแล้วไม่ดีโลภแล้วไม่ดีโกรธแล้วพาให้ไปมีเรื่องมีราว โลภแล้วไปทาพาให้ไป ม, มีปัญหาไปเจอกับความทุกข์ต่างๆไปเจอกับการสูญเสียพอเห็นด้วยปัญญาแล้วมีอุเบกขาก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้ดังนั้นท่านที่ปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นถ้ายังไม่ได้อับปนาสมาธินี้อย่าดูจิตนะต้องดูลมแทนหรือดูพุโทโธแทนตอนนี้เรามีพุโทโธอยู่ในใจหรือเปล่าคอยดู ถ้าไม่มีพุโทโธก็ต้องดึงมันกลับขึ้นมาต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่ได้ดูลมก็ต้องดึงมันกลับมาดูลมดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่หน้าท้องก็ได้แล้วแต่จะพอใจบางท่านชอบดูหน้าท้องเวลาลมเข้าก็พองเวลาลมออกก็ยุบถ้าดูที่ปลายจมูกก็จะรู้ว่ามีลมสัมผัสเบาๆอยู่ที่ปลายจมูก เวลาลม อ, อกก็จะรู้ว่ามีสัมผัสกําลังออกมาลมกําลังออกมาเวลาเข้าก็จะรู้ว่ามีลมเข้าไปให้รู้เฉยๆเท่านั้นให้รู้อย่างต่อเ น, นื่องอย่าไปคิดอย่าไปอยากว่าเมื่อไหร่จะสงบสักทีดูมาแล้วต้องนานทําไมไม่สงบสักทีอันนี้ก็เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วถ้าเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ห้ามคิดปรุงแต่งแม้แต่เรื่องผลที่จะเกิดขึ้นว่าทําไมยังไม่เกิด เอาที่แล้วนั่งดีกว่าวันนี้ทําไมวันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ปรุงแต่งไปฟุ้งซ่านไปละต้องรีบหยุดทันทีต้องรีบกลับมาดูลมเพลงอย่างเดียวหรือถ้าดูลมไม่ได้ก็ใช้พุทโธไปก่อนก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าไม่สามารถที่จะพุทโธได้ไม่สามารถที่จะดูลมได้ก็สวดม น, น, นต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไปก่อน ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราทำได้อุเบกขาแล้วเบื้องต้นก็ต้องได้ครั้งแรกแล้วก็ยังไม่พอต้องทำบ่อยๆทำมากๆทำให้มีอุเบกขาทั้งวันเลย <Yeah. S 1> พอออกมาจากสมาธิก็มีอุเบกขาติดออกมาพออุเบกขาที่ติดออกมาหมดก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ <Yeah. S 1> ต้องเข้ า, <Yeah. S 1> ขาๆออ ก, ออกระวาง uh, ระหว่างเจริญสติกับการเจริญสมาธิจนสามารถมีอุเบกขาได้ทั้งขณะที่เข้าทั้งขณะที่ออกแล้วเราถึงค่อยไปทำข้อต่อไปข้อสุดท้ายก็คือข้อปัญญาขั้นปัญญา <c oughs> <c oughs> เราก็จะตั้งจิตอธิฐานมาต่อไปนี้ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วมีมีสมาธิแล้วมีสติแล้วที่นี้เราจะเจริญปัญญาแล้วสิ เราจะพิจารณาแต่เรื่องของปัญญาพิจารณาไตายักพิจารณากับเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือเริ่มตั้งแต่ราบยศสารเสริญสุขไปหรือถ้าเราปล่อยวางราบยศสารเสริญสุขได้แล้วเราก็ไม่ต้องพิจารณาราบยศสารเสริญสุขเราก็มาพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือฐานห้าพิจารณาให้เห็นว่าเป็นไตายรักไม่ใช่ตัวเราของเรา มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาถ้าไปโลภไปอยากไปยึดไปติดก็จะทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่โลภไม่อยากกับขันห้าปล่อยให้ขันห้ามันเป็นไปเหมือนกับดินฟ้าอากาศใจของเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ขันห้ามีการแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปยึดติดเวลามีการแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงใจเราจะทุกข์ เช่นเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายใจของเราจะทุกข์แต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัอนตตามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนดินฝ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับไปสั่งมันได้มันจะเป็นอะไรก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเรามีหน้าที่รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไป เราก็จะไม่ทุกข์กับการแปรปวนของขันห้าของร่างกาย<ม>ของเวทนา<ม>ใจของเราก็จะพ้นจากการไปยึดไปติดไปทุกข์กับกับขันห้าแล้วพอเราผ่านขันห้าเราก็ต้องไปพิจารณาจิตต่อไปจิตของเราก็ยังมีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงจิตของเราก็เป็นอนัตตาเหมือนกันมีการเปลี่ยนไปมีการขึ้นมีการลง มีสดชื่นเบิก บ, บานมีเศร้าหมองมีฟุ้งซ่านมีสงบมีดีใจมีเสียใจอะไรต่างๆอยู่มีการแปรปรวนเ ป, นปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะไปอยากให้มันดีอย่างเดียวไม่ได้ดีใจอย่างเดียวไม่ได้สงบอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนไปตามภาวะต่างๆเพราะมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศจะให้ฝนไม่ตกเลยทั้งปีก็ไม่ได้ ถึเวลาถึงหน้าฝนฝนก็ต้องมาตกจะให้มันไม่หนาวก็ไม่ได้ถึงหน้าหนาวมันก็ต้องมาหนาว uh huh. จิตของเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดถ้ามันฟุ้งซ่านก็รู้ว่ามันฟุ้งซ่าน uh huh. ถ้าหยุดมันได้ก็หยุดถ้าหยุดไม่ได้ก็ปล่อยมันฟุ้งไปเดี๋ยวมันก็หายเอง uh huh. คิดอย่างนี้ถ้ามันสงบก็อย่าไปอยากให้มันสงบตลอดเวลา uh huh. เดี๋ยวมันก็หายจากความสงบกลายเป็นความพุ่งสร้างใหม่ก็ได้นี่คือการพิจารณาจิตเพื่อปล่อยวางจิตถ้าเราปล่อยวางจิตได้แล้วต่อไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปไม่ทุกข์กับราบยศสารเสริญสุขไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทุกข์กับจิตเมื่อไม่ทุกข์กับอะไรแล้วจิตก็หลุดพน้น จิตก็วิมุติบรรลุถึงพระนิพพานในที่สุดด้วยการเจริญทำข้อที่6คือปัญญาหลังจากที่เราได้อุบเบกขาได้นน่ฆมาแล้วเราก็ตั้งสัจจะว่าต่อไปนี้จะพิจารณาเรื่องตายรักเรื่องขันห้าเรื่องจิตเรื่องราบยศสรเสริญเสือว่าเป็นตายรักแล้วพอพิจารณาได้เราก็จะปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดใจแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ จากการยึดติดนี่จิตก็จะหลุดพ้นจิตก็ไปสู่พระนิพพานนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเมื่อการที่เราจะศึกษาปฏิบัติธรรมได้เราก็ต้องมีอธิษฐานมีความตั้งเป้าไว้ก่อนว่าต่อไปนี้เราจะใช้เวลาของเราให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเมื่อตั้งเป้าแล้วเราก็ต้องมีสัจจะทําตามที่เราตั้งใจไว้แล้วก็มีความเพีย ถ้าขเกียจก็ทําไม่ได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียรแล้วถ้ายากก็ต้องใช้ขันติใช้ความอดทนแล้วถ้าเรามีทำทั้งสี่ประการนี้เราก็จะปฏิบัติเมตตาได้ปฏิบัติทานได้ปฏิบัติศีลได้ปฏิบัติเนธธรรมะได้ปฏิบัติอุเบกขาได้และปฏิบัติปัญญาได้ถ้เราได้ ป, ปฏิบัติได้ทำทั้งหกนี้แล้ว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 เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเะเมวะสมิจโตสัพเพปเรนโตสังก p ปาจันโทปนาฬโสยธาเมณิโชติฬาโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโขวินัสตุ มาเตภวะทวันตระโยสุขีทีคายยโกภวะอะพิวาธนสีริสะนิจังุทธาปจายโนจตารุธ ร, รมมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแนละ้วเพราะหมดเวลาเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดต่อการตอบคําถามวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ ค่ะจาก Facebook พระจารย์สุชาติอภิชาโต290 Facebook พอจอสุชาติอภิชาโต32รวมยอด Facebook 322 YouTube 198วิทยุออนไลน์7 Zoom 9ผู้รับฟังหน้ากุติ51รวม587ท่านค่ะถ้ามีคําถามก็เชิญถามได้เลยค่ะก็อยาก ขอโอกาศพระอาจารย์นะคะแนะนําการปฏิบัติะคะ่ะก็แนะนําตรงไหนล่ะเรื่องไหนล่ะว่ามันมีต้องเยอะแย ะ, ะมีศีลแล้วใช่ไหมค่ ะ, ะมีเน่ยขมมะแล้วค่ะทีนี้ก็ต้องมีอุเบกขาอุเบกขาก็เกิดจากการฝึกนั่งสมาธินั่งสมาธิให้จิตนิ่งให้สงบค่ะก็ อ, ะะอย่างที่ได้สอนมาที่เทศมานี่แหละท่านต่อไปก็เราได้บวชแล้วก็ถือว่าเราได้นเน่ยขมมะแล้ว เรื่องทานเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องศีลนี่ก็ไม่เราก็รักษาไปศีลห้าศีลแปศีลสิบแล้วเราก็มาบุงมาที่การเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเพยายามฝึกสติควบคุมใจอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆใช้คาบริกรรมพุทโธก็ได้หรือเฝ้าดูว่าเรากําลังทำอะไรอยู่ก็ได้แล้วพอเราว่างเราก็นั่งสมาธินั่งหลับตา ดูวมหายใจเข้าออกก็ได้หรือพุทโธก็ได้ถ้ายังดูไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้บางทีสติเรายังมีกำลังไม่พอที่จะดูลมหรือพุทโธได้ก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดไปเงียบๆไม่ต้องออกเสียงอันนี้หมายถึงตอนที่เราปฏิบัติตอนที่เรานั่งสมาธิไม่เกี่ยวกับเวลาที่เราไปร่วมสวดมนต์กับคนอื่นนะถ้าเรานั่ง แล้ว เ, เจ็บทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนก็ได้หรือนั่งแล้วง่วงก็ลุกขึ้นมาเดิน<ะ>แต่ถ้านั่งแล้วเจ็บแล้วถ้าเราใช้คําบริกรรมได้ก็บริกรรมไปเราก็อาจจะผ่านความเจ็บได้<ะ>เอาไปความเจ็บก็จะไม่เป็นปัญหาเวลานั่งเจอความเจ็บแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจนิ่งแล้วมันก็จะไม่เจ็บไปกับความเจ็บได้พอเราได้สมาธิแล้วเราถึง ค่อไปเจริญปัญญาไปพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์ร่างกายไม่สวยไม่งามมีอาการ32เป็นซากศพนี่คือสิ่งที่เราต้องเจริญถ้าเราต้องการจะมีปัญญาแล้วใจของเราก็จะสู้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆได้อยู่ที่วัดหรืออยู่ที่สำนักนี่อยู่ที่เป็นกับแค่ครับ แม่สร้างไว้เองอยู่คนเดียวเลยอดีถ้าอยู่คนเดียวก็ยิงดีแล้วมีครูบาอาจารย์มีอะไรไว้คอยสั่งคอยสอนหรือเปล่าตอนเจ็ดเดือนแรกอ่ะคะ่ะอยู่กับอาจารย์ที่ที่ที่หนึ่งอะคะอ่ะแล้วพอเสร็จก็เหมือนแยกแยกกลับมาอยู่ที่แม่เขาสร้างไว้ให้อ่ะค่ะอแล้วก็ปฏิบัติเองเรื่อยๆ แต่ทีนี้ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าบั้งหรือเปล่ า, าศึกษาเช่นพระสูตรนี้ยค่ะธรรมจาก <c oughs> สติปทานสูตรเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ต้องเรียนบ้างนะจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไม่เข้าไม่เข้าใจแล้วค่อยไปสอบถามครูบาอาจารย์ต่อไปคถ้าไม่เรียนเลยก็เหมือนกับเดินทางแบบไม่มีแผนที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ก็ <c oughs> จะหลงทางได้การบวชก็จะเสียเวลา <c oughs> แล้วอาจจะจบลงด้วยการศึกก็ได้เมื่ <c oughs> บวชมาต้องนานไม่ได้ผลเลยไม่รันจะอยู่ไปทําไมเศรษดีกว่าไม่ดีกว่าหรอือมันก็เท่ากัน <c oughs> เร็วกว่าถ้าศึกก็ถือว่าเดินถอยหลัง <c oughs> ถ้าบวชแล้วแต่ยังไม่ก้าวหน้าเราเพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ยังไม่ได้เดินก้าวหน้าต้องศึกษาศึกษาคําสอนเบื้องต้นศึกษาคําสอนของพุทธเจ้า มงคลลสูตรธรรมจักรกับพระวัฒนสูตร<ะ>รู้จักสูตรก็มีสอนหลักสูตร น, นักธรรมตรีในหนังสือนักธรรมตม ร, ร, มตน ร, รมตีนี่เคยเคยศรรึกษาไหมที่อาจารย์เขาเคยศึกษาเคยศึกษ า, อาของพระสูตรต่างๆไง น, นักธรรมตรีนี่เราไปซื้อหนังสือนักธรรมตรีมาอ่านดูก<ะ>็ได้จะสอนพื้นฐานคำคำสั่งคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าอื ต้องศึกษาแล้วเราจะได้มีแผนที่นําทางต่อไป่แม<ะ>้งงก็ต้องไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆฟังเทศของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เสียไปแล้วแต่มีเทศที่อาจเสียงไว้ก็เปิดฟังได้แต่ถ้าไม่มีคำสอนเอาปฏิบัติไปก็เหมือนกับทำทางไปถ้าฟังแล้วมันจะหูตาสว่างขึ้นแต่ที่ที่ปฏิบัติอยู่นะคะ ก็ฟังพระธมรมฟังของพระอาจารย์ด้วยแล้วก็ฟังของพระอาจารย์องค์อื่นบ้างเนี่ยคะ่ะก็เลยเดินทางมาหาเดค่ะโอเคน ะ, ะขอใจเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆน ะ, ะขอให้มีสี่อย่างอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติน ะ, ะแล้วรับรองได้ว่าจะพบ ก, กับความสำเร็จต่อไปเชิญถามคาถามต่อไปได้เลย คำถามจากคุณวิผู้ที่มีชีวิตมาจนถึงวัยชารา ท, ที่ไหนสะดวกก็ได้นั่งที่ไหนผู้ที่มีชีวิตมาจนถึงวัยชาราที่แก่แล้วถึงปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวิต ถ้าก่อนตายสังขารทางสมองเลอะเลือนจำลูกหลานไม่ได้แล้วก่อนตายจะสามารถทํากาลัได้สมควรจะสามารถลาสั่งยศได้ดังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไหมคะไม่รู้แหละก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาแหะมาถามเราไม่ได้ถ้าตัวเขามีทำเขาก็จะปฏิบัติได้เขาไม่มีก็ปฏิบัติไม่ได้นะงั้นต้องต้องศึกษาต้องปฏิบัติตั้งแต่ยังไม่แก่ยังไม่หลงไม่ลืม ถ้าไปรอไปปฏิบัติไปศึกษาตอนที่แก่ที่ล้วมันก็เดี๋ยวให้คุณหมอเลยหมอจะทำกลับน้ำมัสการครับอาจารย์ครับรีกมาตอนเดินชงกลมแล้วนั่งคิดอ่านจิตวิทาไอตัวจิตเนี่ยมันก็เป็นตัวรู้แล้วมันก็ดับไปใช่ไหมครับครนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างถ้าเราเจอเวทนาว่า เห็นไม่ธนาว่ารู้ว่าเจ็บเราก็าปล่อยมันไปแล้วก็อยู่กับจิตปัจจุบันเราะว่าไอ้ตัวรู้ที่มันเจ็บมันก็เป็นอดีตไปแล้วแล้วก็ดูตามดูปัจจุบันอย่างนี้ถูกวิธีนะครับก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เราไปรับรู้อย่าไปรับอย่าไปชังอย่าไปอยากให้เขาเกิดอยากให้เขาดับ เขารู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ปัจจุบันแล้วค่อยให้คำเจ็บมันก็เป็นอดีอะไรมันจะเกิดมันมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปครับใจเราไม่ทุกข์กับมันถ้าไปอยากแล้วมันจะทุกข์เวลามันมาแล้วอยากให้มันไปมันไม่ไปเราก็จะทุกข์เวลามันไม่มาอยากให้มันมาก็ทุกข์รยากให้มันฟาอากาศอยากให้มันสงบมันไม่สงบก็ทุกข์อยากให้มันหายเจ็บมันไม่หายเจ็บก็ทุกข์แต่ถ้าเฉยๆไว้สงบเข้ามา ไม่สงบก็ไม่เป็นไรสงบก็ได้ครับเจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้ครับใจเราก็ไม่ทุกข์กับมันกระลทุกข์แล้วก็วางลุกแล้วก็วางกันเลยไปใจเคราะว่าทุกอย่างสัพเพธรรมาเป็นอนัตตาครับทำทั้งปะทั้งทั้งหลายที่เรามาสัมผัสรับรู้นี้เป็นอนัตตาหับถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเขาก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาคครรัับบจะคุณปริชาติ การภาวนาพุทโธพร้อมกำหนดลมหายใจเข้าออกควรภาวนาพุทพร้อมลมหายใจเข้าทโธทพร้อมลมหายใจออกหรือพุทโธหายใจเข้าพุทโธหายใจออกเจ้าค่ะเอาอย่างเดียวนี่ก่าถ้ายุ่งยากนะก็เอามันอย่างเดียวนีว่พุทโธไปเลยไม่ต้องดูลมแล้วดูลมก็ไม่ต้องพุทโธดีกว่าถามอย่างนี้เแสดงว่าปวดหัวลนะถ้าปวดหัวนี่ น, นั่งสมาธิก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ ฉันยาวดังใอย่างหนึ่งดีกว่านะไม่ต้องพูดเข้าโทออกดูลมเข้าดูลมออกดูเฉยๆให้รู้เฉยๆว่ามันกําลังเข้ามันกําลังออกหรถ้าไม่ดูลมก็พูดโทพูดโทพูดโทไปเลยอยู่กับพูดโทไม่ต้องไปสนใจกับลมก็ได้ง่ายกว่าทำไมชาอบไปทําของยากๆ ก, กันทำไมจะคุณซีเอ โดนโกงหลักล้านมีความทุกข์และความขับแค้นใจมากอยากทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะหายทุกข์เจ้าคะก็คิดว่าเป็นเงินยืมเข้ามาซิยืมเข้ามาก็ต้องใช้เข้าไปเอามาเอาไปก็ถือว่าใช้นี่เก่าไปก็จบถ้ายังอยากได้คืนอยู่มันก็ทุกข์แค่นั้นเลยมันคิดว่าไม่ใช่เป็นเงินของเราเรายืมเข้ามาถึงเวลาก็ามาเอาคืนไปก็ต้องคืนเข้าไป คุณชมชนกโยมเข้าไปดูข่าวการประท้วงทําให้จิตใจคิดลําเอียงเจ้าค่ะและไม่สบายใจที่จิตโยมคิดแบบนี้นึกถึงคําสอนที่ว่าเห็นก็ขอให้แค่เห็นฟังแล้วก็ข อ, ขอแค่ฟังอย่าปรุงแต่งขอความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะพอใช้พุโทโธเลยว่ามันนําเอียงก็ใช้พุโทโธมันดึงมันกลับมาไม่ให้มันเอียงถ้ามีพุโทโธพุธโทโธเนี่ยมันก็อยู่กลงกลางมันก็เฉยๆได้มันก็จะไม่ไปเข้าข้างซ้ายข้างขวา เป็นเรื่องของเขาเรื่องของโลกโลกนี้มีการต่อสู้กันมาทุกยุคทุกสมัยเป็นเรื่องธรรมดามีการแก่งแย่งเชิงดีแย่งอํานาจกันแย่งผลประโยชน์กันเป็นเหมือนหมาแย่งกระดูกไปดูถ้าเป็นดูหมาแย่งกระดูกก็แล้วกั น, ก น, ก น, กนเราไม่ต้องไปแย่งกับเขาเราไม่ได้เป็นหมาเราเป็นคนเราอยู่ได้ตามอัตถภาพของเราสบายกว่าคุณเทวดาเดินดิน การเลือกเคารพเป็นหนึ่งในหลกักปูชาจะปูชนียานางหรือไม่คะการเลือกเคารพค่ะเลือกเลือกเคารพเลือกหมายความว่าเลือกอเคารพแปลว่าไงเลือกเคารพเลือกเคารพคนนั้นคนนี้ไม่เคารพคนนั้นคนนี้หรอไม่ยังไงก็การเคารพก็ต้องมีตามตามสมมตินิยมแเรวก็เคารพผู้ที่มีพระคุณกับเราผู้ที่เขาถือว่าสูงกว่าเราเช่นบิดามารดา ครูบาอาจารย์นี่ท่านถือว่าท่านมีฐานะที่สูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพต่อผู้ที่สูงกว่าเราพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยท่านสูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพนี่ก็เรียกว่าเป็นบูชาอย่างหนึ่งแตยังไม่ถือว่าเป็นปฏิบัติบูชาบูชามีสองอย่างมีอาสมิสบูชาและปฏิบัติบูชาการให้ความเคารพนี้ถือว่าอยู่ในอามิสบูชา ปฏิบัติบูชาก็ต้องทาตามคําสั่งคําสอนที่ดีของท่านท่านสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็ต้องทาตัวให้เป็นคนดีเราทาตามได้เราก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติบูชาท่านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมอายุ36ปสิระยา33และผมไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ26ปีผมพยายามจะเลิกกับผู้หญิงคนนี้ ผมก็ทําไม่ได้ต่อมาผู้หญิงคนนี้ให้ผมเลิกกับภรรยาและลูกมผมก็ทําไม่ได้ผมติดในรูปร่างและลดของการกิเลสของผู้หญิงคนนี้ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะทําอย่างไรดีครับถึงจะออกจากกรรมเรื่องนี้ได้ก็เชิญเข้ามาอยู่ด้วยกันสิให้เขาตีกันแล้วใครชนะก็ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> จะได้จบ เชินมาอยู่ร่วมกันเลยสามคนในบ้านเดียวกันนะดูว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้อาอยู่ด้วยกันได้ก็มีความสุขต่อไปได้ถ้อาอยู่ไม่ได้ก็ต้องตีกันเก็ไปยุ่งมันเองทำไงได้ยุ่งแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องแก้แบบนี้แหละเอามาอยู่ร่วมกันเลยชวนมาอยู่ร่วมกันอย่าไปหลบหลบเลิกๆซ่อสัอน้นส้ มันรู้กันแล้วรู้ร่อไปเลยว่าจะไปจะเจ้าใครกันดี่นก็ไมเาทั้คู่เลยทิ่งเราคนใหม่ก็ไม่เอาเ้าคนเก่าก็ไม่เอาดีจะได้อยู่เป็นโสดจะได้เริ่มต้นใหม่จะได้หาใหม่ได้เจอคุณวันเพ็ญหนูสวดมนต์อิติปิโสพาหุงมหากาจบแล้วอุทิศบุญกุศลและนั่งสมาธิภาวนาออกจากสมาธิ ต้องอุทิศบุญกุศลอีกครั้งหรือเปล่าเจ้าคะควาจริงบุญอนนี้อุทิศไม่ได้หรอกมันยังไม่เกิดเป็นบุญเหมือนบุญที่กําลังปลูกต้นไม้อยู่ยังไม่ออกดอกออกผลเป็นการปลูกต้นไม้บุญภาวานาบุญที่เราปฏิบัติทำนี้ยังไม่ได้มากผลแล้วมันจะเอาผลไปอุทิศให้เขาได้อย่างไรถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ต้องไปทําบุญแบบฟาสต์ฟู้ดอาหารตามสั่งสั่งปุ๊บได้ปับ๊บไง ให้ทานปั๊บได้บุญผลของบุญเกิดขึ้นทันทีอุทิศบุญส่วนนั้นได้ทันทีแต่ส่วนนี้ยังไม่เกิดต้องรอไปก่อนรอจนกว่าจะบรรลุผลหลิงยาสามารถที่จะอุทิศบุญส่วนนั้นไปให้เขาได้เั็นเขาถึงไม่นิยมใช้บุญเหล่านี้เป็นการอุทิศเพราะมันยังไม่เกิดนั่นเองนิยมใช้การทำบุญทาทานเป็นการอุทิศบุญ คุณน้ำครึ่งแก้วเวลานั่งสมาธิพอเริ่มหลับตาความความฟุ้งซ่านมาเลยเจ้าค่ะปั่นป่วนมากไม่เคยสงบเลยจากการนั่งสมาธิควรทําอย่างไรเจ้าค่ะก็ไม่หยุดมันก่อนจะมานั่งเก็ปล่อยมันปั่นป่วนปล่อยมันคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วพอมานั่งหลับตาจะให้มันหยุดคิดได้ไงมันก็ไม่หยุดเลยต้องหยุดคิดก่อนที่จะมานั่งต้องใช้พุทโธพุทโธขูมมันไว้ก่อน จากท่านเดิมนะคะคําถามที่สองงานทางโลกเยอะมากเลยเจ้าค่ะปฏิบัติธรรมไม่ได้เต็มที่รู้สึกไม่คุ้มกับที่เกิดมาในชาตินี้เลยควรทําอย่างไรเจ้าคะลดความโลภลดความอยากลงซิเอาแค่ปัจจัยสก็พอเศรษฐกิจพอเพียงอย่าไปโลภอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ของแพงๆของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆตัดมินไปให้หมดเอาเท่าที่จําเป็นคือปัจจัยสี่อาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วเราจะได้ไม่ต้องนเราจะได้มีเวลาว่างถ้าโลคอยากได้เงินมากๆก็จะต้องเอาไปทํานูน่นทํำนี่ก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องมักน้อยสันโดษน้อยสันโดษแล้วทีนี้ก็จะมีเวลามาปฏิบัติธรรมได้คุณนัตตี ถ้าเรายัางต้องมีชีวิตอยู่แล้วเห็นการเกิดแก่เจ็บตายความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตทั้งดีใจเสียใจเราควรวางใจอย่างไรคะเพื่อให้ใจสงบและวางเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตายไปแล้วไปดีแน่ๆก็เวลาไม่สบายใจก็สวดมนต์ไปสิพุโทโธพุโทโธไปทาใจให้สงบใจก็จะปล่อยวางได้ หมดแล้วเลยโอเคหมดแล้วก็คิดว่าเอาสั้นๆอย่างนี้แล้วนะบรรยากาศฝนฟ้าอากาศช่วงนี้จะได้กลับไปบ้านนอนกันเรีวขึ้นก็ <c oughs> ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ